ข อ, อความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายประสูติ์ในวันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องชาดกอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเคยกล่าวมาแล้วว่าชาดกนั้นแปลว่าเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วเป็นอดีตนิทานที่พระพุทธเจ้านำมาสั่งสอนประกอบ กับธรรมะแกบุคคลในสมัยนั้นแต่ตามปกติแล้วก็จะดึงเฉพาะประเด็นที่ทรงกับเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในสมัยของพระองค์มันรายละเอียดในเรื่องจึงไม่ค่อยจะมีมากชาดกที่ทรงแสดงเรื่องวิจิตพิสดารจึงมีเฉพาะในมหานิบาตชาดกคือมีอยู่สิเรื่องที่เราเรียกว่าพระเจ้าสิบชาติ หรือทศชาติส่วนในกรณีอื่นๆแล้วก็จะปรารบประเด็นใดในสมัยของพระองค์และจะดึงประเด็นนั้นขึ้นมาเข้าความพิสดานส่วนอื่นก็ไม่นํามาแสดงเพราะเป็นการแสดงแนวประกอบบางครั้งก็ต้องการจะกระตุ้นความสานึกของคนที่เป็นมูลกรณีให้แสดงชาดกบางครั้งก็ ต้องการจะให้เป็นแบบอย่างแก่คนซึ่งกระทำผิดทำชอบในขณะนั้นโดยเชี่ยเห็นว่าคนที่ทำผิดเช่นนั้นก็เคยประสบความเดือดร้อนมาแล้วในอดีตคนที่ทำดีเช่นนั้นก็ประสบความสุขความเจริญมาแล้วในอดีตก็เป็นนิทานตัวอย่างบุคคลที่ช่วยให้ผู้ศึกษาได้สำเนียก ก็ได้หลักฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสูงขึ้นชาดกข้อนี้เรียกว่าติละมุติชาดกถ้าแปลตามชื่อก็ว่ากรรมของงาคือกรรมงาไว้ในมือแต่นั้นเองแปลว่าเมื่อแปลโดยความหมายที่ท่านแก้ไว้ก็คือการเคี่ยนตีด้วยเมตตาหวังสั่งสอน มีใจความโดยสรุปว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันกรุงสาวัตถีในเมืองกรุงสาวัตถีอันเป็นอารามของอนันทานาธบินธิกะเศรษฐีมีภิกษุรูปหนึ่งท่านเป็นคนเปราะบางได้เกินอะไรนิดอะไรหน่อยก็โกรธแล้วก็ด่าว่าเขาตำหนิจิเจียนเขาใช้ถอยคำที่รุนแรงกระทบนิดก็ไม่ได้กระทบหน่อยก็ไม่ได้ เมื่เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาคือไม่รู้ว่าใครจะปฏิบัติให้เป็นที่พอใจของท่านได้เพราะท่านนักมักโกรธอยู่เรื่อยไปต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายก็มาประชุมกันแล้วก็สนทนากันบอกว่าแม้ท่านเหล่านี้อาใจยากเหลือเกินคือท่านมักโกรธจริงๆไม่รู้จะปฏิบัติต่อท่านอย่างไรพระพุทธเจ้าทรงทราบข้อความที่ท่านเหล่านั้น สนธนากันก็เสด็จมาสอบถามท่านเหล่านั้นก็กราบทูลให้ทรงทราบว่าปราโรคพิสุที่ขี้โกรธรูปนี้พระองค์ก็ทรงแสดงว่าเธอเป็นอย่างนั้นเองในในอดีตการเธอก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วภิสุตั้งหลายก็กราบทูลให้พระองค์ทรงแสดงเหตุการณ์ในอดีตกระรับสั่งลาว่า ในอดีตการนานไกลเมื่อพระเจ้าพรมทัศเสวยพระราชสมบัติในพระนครพาราณสีในสมัยนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นอาจารย์ที่สาปามโมกในเมืองตักกศิลาพระเจ้ากรุงพาราณสีมีพระเจ้ารถพระงคหนึ่งซึ่งจะเป็นรัชทายาทในโอกาสต่อไปพระองค์ก็มาคิดว่า ถ้าจะให้พระเจารสของพระองค์เจริญเติบโตอยู่ในวังโอกาสที่จะเรียนรู้เข้าใจโลกก็คงจะมีน้อยดังนั้นจึงทรงส่งพระเจ้ารสไปศึกษาในสำนักที่สาปามโมกโดยมีวัตถุประสงค์อยู่สามประการประการแรกก็คือเพื่อให้พระาช้ารสของพระองค์รู้จักใช้ความเพียรพยายามความอดทน ในการดำรงชีวิตคือช่วยตัวเองได้ประการที่สองเพื่อต้องการให้ลดละมานะว่าเราเป็นกษัตริย์เป็นราชฎรกุมารลงไปซสียบ้างประการที่สามก็เพื่อให้เรียนรู้แบบแผนจารีตประเพณีขนบธรรมเนียมของโลกว่าควรจะปฏิบัติกันอย่างไรจึงจะเป็นความถูกต้อง และในขณะเดียวกันก็พระราชทานเงินเป็นจำนวนน้อยไปให้หรือต้องการจะฝึกก็ให้ไปเพียงพันกหาปณะเท่าทนั้นเองพระราชุมารก็ออกจากกรุงพาราณสีเพื่อไปศึกษาในสำนักของอาจารย์ทิสาปามโมกตามปกติการศึกษาในสมัยโบราณ น, นั้นก็มีนักเรียนอยู่สองกลุ่มด้วยกัน กลุ่มแรกก็ปฏิบัติตนเหมือนกับลูกหลานของอาจารย์ทิสาปามก ค, คือไม่ต้องไม่ต้องอใช้จ่ายค่าเล่าเรียนแต่ก็ทำตนเมือ่อกลูกหลานภายในบ้านคือช่วยกิจการงานภายในบ้านเรียกว่าธรรมมันเตวาสิกคือลูกศิษย์ผู้เรียนธรรมะอีกฝ่าหนึ่งนั้นก็ต้องจ่ายเงิน แต่อยู่ในฐานะเหมือนกับลูกชายหัวปีของอาจารย์ที่สาปามโมกไม่ต้องทำงานอะไรมากนักแต่ก็ต้องดูแลใจใสคนอื่นเขาด้วยระจชกุมารไปถึงในขณะที่อาจารย์ที่สาปามโมกกำลังสอนอยู่ท่านก็สอบถามว่ามาเพื่ออะไรก็บอกว่ามาเพื่อศึกษาแต่ว่าจะศึกษาแนวไหน คือจะแนวเป็นไม่ต้องใช้จ่ายค่าเล่าเรียนหรือว่าจ ะ, ใ ช, จะใช้จ่ายค่าเล่าเรียนถ้าก็บอกว่าจะศึกษาในแนวใช้จ่ายค่าเล่าเรียนพอสอบถามทราบความว่าเป็นพระราชกุมารอาจารย์ทิสาประโมกก็ให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษเวลาจะไปไหนก็นําไปด้วย แต่พระราชกุมาร น, นั้นอาศัยที่จะทำอะไรตามความพอใจจนติดเป็นนิสัยเวลาเดินไปท่าน้ำกับอาจารย์ผ่านยายแก่คนหนึ่งซึ่งกระตากงางาประเภทที่เ็าเรียกว่าขัดจนขาวแล้วแต่นั่งพึ่งแดดและนั่งเฝ้าอยู่พระราชกุมารเดินผ่านไปก็ไปหยิบเอาเม็ดงากรรมมือหนึ่ง เียวใส่เข้าในปากแล้วก็เดินเคี้ยวไปยายแก่ท่านก็คิดว่าเออมานบคนนี้คงจีหิวก็ปล่อยเขาไปวันที่สองก็เอาอีกยายแก่ก็คิดเหมือนเดิมอีกวันที่สามเอาอีกยายแก่ก็ไม่ได้ก็ประท้วงร้องไห้ฟ้องอาจารย์ที่สาปามก บอกว่าลูกศิษย์ของอาจารย์ที่สาปาโมกนั้นมากรรมเอางาของแกวันละกรรมทุกวันถ้ากรรมกันอย่างนี้ทุกวันแล้วแกเจ้างานที่ไหนไปบริโภคขายคนอื่นอาจารย์ที่สาปาโมกก็ปลอบให้ยากแก่นั้นยินยอมโดยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกจะใช้จ่ายค่างาให้เองแกบอกว่าแกไม่ต้องการเงินหอก แต่ว่าต้องการให้อาจารย์โอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เคารพสิทธทิของคนอื่นใช่บ้างหรือต้องการจะได้อะไรก็ให้ขอให้บอกไม่เจ้ามาหยิบไปเฉยๆอย่างนี้อาจารย์ที่สาปาโมกก็บอกทั้งนั้นจะต้องลงโทษในความผิดที่ทำมาก็เรียกลูกศิษย์อีกสองคนให้จับมือราชกุมารเข้าคนละมืออาจารย์ก็ตีโดยทีกไม้ไผ่สามครั้ง ราชกุมารโกรธมากเลยเพราะไม่เคยถูกเขรียนมามองตาที่สาปามกยังก็จะกินเลือดกินเนื้ออาจารย์ท่สาปามกเองท่านก็รู้แต่ว่าในฐานะของอาจารย์ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เสมอต้นเสมอปลายสั่งสอนชี้แจงแนะนำจนราชกุมารแตกฉานในวิชาที่เหมาะสมแก่ฐานะของพระองค์จนได้กลับไปสู่กรุงพาราณสี แต่ว่าการผูกใจเจ็บต่ออาจารย์ที่เคี่ยนโดยไม้ไผ่สามครั้งนั้นยังไม่หายไปจากใจท่านคิดอยู่เสมอว่าวันใดก็ตามที่ท่านมีอํานาจขึ้นมาเนี่ยท่านจะต้องฆ่าอาจารย์คนนี้ให้ได้เมื่อกลับไปถึงกรุงพาราณสีแล้วับองกรที่จะกลับไปนั้นก็สั่งอาจารย์เอาไว้ พอเมื่อพระพเจ้าได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในกรุงพาราสีขอให้อาจารย์ไปที่กรุงพาราสีจะยกย่องให้สมเกียรติในฐานะที่เป็นอาจารย์ของพระราชาท่านอาจารย์ที่ส า, ารปาโมกก็พอจะรู้นะว่าไม่ใช่คำพูดด้วยความสุจริตใจอะไรแต่ท่านก็รับปากว่าจะไปเมื่อมาถึงก็แสดงศิละปะวิทยาการต่างๆที่ได้ศึกษามาจากสานักของอาจารย์ จนพี่ที่ยอมรับของพระราชบิดาและประชาชนต่อมาเมื่อพระราชบิดาที่วงโคตราชกุมารก็ได้เป็นพระเจ้ากรุงพาราณสีตอนนั้นก็ยังทรงพระเยาว์อยู่ก็ทรงข่าวไปบอกว่าโอกาสได้เกิดขึ้นแล้วส ำ, สำนวนโบราณท่านเรียกว่าหลังสัจจูเราเห็นแล้วเรียหลังสัจูแล้วจะฆ่าเมื่อใก็ได้เฮ้ยก็ท่งข่าวไปให้อาจารย์ที่สาปาโมก มาที่กรุงพาราณสีท่านอาจารย์ท่านรู้ว่าพระราชาเรียกไปเพื่ออะไรแต่ท่านก็คิดว่าเวลานี้ยังทรงพระเยาเ่า์โจอสติสมัมปชัญญะความคิดความเห็นรอบครอบที่จะเรียนรู้เหตุผลความจริงนั้นยังไม่มีก็เลยไม่เสด็จอาจารย์ก็ไม่ยอมไปรอจนพระราชาอยู่ในไฟมัดชิมมอาไวแต่ประสบพบเห็นเหตุการณ์ ต่างๆมากขึ้นเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนมากขึ้นได้เรียนรู้สูงขึ้นแต่จะไงก็ตามคือแผลใจได้แก่ความพยาบาทนั้นยังไม่เคยหายไปเลยอาจารย์ก็เห็นว่าถึงเวลาสมควรพี่จะไปให้โอวาทแนะนำให้พระราชาสำนึกถึงโทษของความพยาบาทและความจำเป็นในการปกครองคนบริหารคนได้ เสร็จแล้วทันก็มาประชารงทราบก็รับสั่งให้เข้าเฝ้าทำกลางเสนาข้าราชการต่างๆพอขึ้นถึงก็กล่าวว่าท่านจำได้ไหมว่าในครั้งหนึ่งท่านในคนอื่นจับมือของข้าพเจ้าสองข้างแล้วเคี่ยนด้วยไม้ภผ่าสามครัง้งท่านมาที่นี้เพื่ออะไรต่รู้หรือเปล่าว่าท่านจะต้องตาย เพราะการมาในที่นี้ท่าไม่ได้มองหรือว่าท่านเคี่ยนใครในคราวนั้นแต่ท่านจะต้องตายเพราะความผิดในคราวนั้นแล้วขู่ตะคอกใหญ่ท่านอาจารย์ที่สามพรมกท่านก็เตรียมตัวมาตั้งแต่ต้นแล้วท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็บอกว่าขอให้พระองค์ได้ทรงคิดให้ดีว่าการเคี่ยนตีในคราวนั้น การเขลืนตีนั้นมีสองอย่างเดอะตันทุกการทุบตีนั่นมีสองอย่างเป็นการทุบตีมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งสั่งสอนมีความเมตตาเป็นเบื้องหน้าเป็นการกระทระําระวังพ่อแม่กับลูกอาจารย์กับศิษย์คือมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์ดีงามแก่ลูกศิษย์ของตนการกระทําเช่นนี้ชื่อว่าเป็นการกระทําของท่านผู้ประเสริฐที่ท่านใช้คําว่าอริย ถ้าหากว่ามีโทษซึ่งเกิดขึ้นแล้วจะแก้ไขได้ด้วยการเขี่ยนตีให้เกิดความสำนึกแต่ว่าผู้เป็นอาจารย์ไม่ยอมเคี่ยนตีนั่นเป็นความผิดของอาจารย์เพราะลูกศิษย์คนนั้นจะไม่มีความสำนึกถึงผิดชอบดีชั่วอะไรต่างๆแต่ในที่สุดแกก็จะตกตามขอให้พระองค์ทรงคิดดูให้ดี ว่าการกระทําของอาจารย์ในคราวนั้นทำเพื่ออะไรทำด้วยอะไรมีความมุ่งหวังอะไรแล้วก็ขอให้มองย้อนไปอีกครั้งหนึ่งว่าความรู้ความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินนี้จดบิตรเป็นที่ยอมรับยกย่องของประชาชนนั้นพระองค์ได้จากใครถ้าไม่ได้จากอาจารย์เมื่อท่านแนะนำชี้แจงเช่นนี้ พระราชาก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วเหตุผลมันก็มีมากแต่ท่านไม่ยอมเอาไปใช้ในจุดนั้นท่านนั้นเองพวกเสนาข้าราชการที่ฟังอยู่ค้อมล้อมอยู่ก็กราบทูลพระราชาทสงรารวา่าที่อาจารย์กล่าวมานั้นเป็นความถูกต้องเป็นความเหมาะสมและความเจริญรุ่งเรืองของพระองค์นั้นที่จริงก็เกิดขึ้นมาจากอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ สามารถบริหารบ้านเมืองได้พระอาจาร ก, ก็เกิดความสับนึกและในที่สุดสับนึกเวลาสับนึกก็สับนึกแรงเ็ามอบราชสมบัติให้อาจารย์เลยอาจารย์บอกไม่เอาขอให้พระองค์ปฏิบัติธรรมประพฤติธรรมประพฤติสุจริตให้ความสุขแก่อาณาประชารัฐดอนตั้งอยู่ในยุติธรรม ก็เป็นความภาคภูมิใจเป็นความสุขใจของอาจารย์นะแต่พระราชาก็มีความรู้สึกผูกพันกับอาจารย์เพราะว่าตอนนั้นพระเจดียดากรที่วงโคดไปส่งคนไปรับครอบครัวของอาจารย์ที่สาปามโมกมาทั้งหมดก็ให้อยู่ในวังแล้วก็ตั้งอาจารย์ที่สาปามโมกให้เป็นปุโรชิตแปยกย่องไวในฐานะของบิดา ในตอนสุดท้ายของชาดกเรื่องนี้ภิกษุหัวดื้อรูปนั้นก็เห็นว่าไอ้ที่จริงท่านเป็นคนลักษณะต้นคดปลายตรงก็ธรรมปีิิก็เกิดขึ้นสงบใจฟังธรรมพิจารณาธรรมก็บรรลุอนาคามีผลเป็นพระอนาคามีบุคคลไปแล้วก็มีท่านที่บรรลุอริยผลอีกเป็นนั้นมากพระพุทธเจ้าทรงสรุปชาดกว่า พระอาจารย์ในครั้งนั้นก็คือภิกษุหัวดื้อในครั้งนี้ท่านปุโรหิตในครั้งนั้นเอ่อท่านอาจารย์ที่สาปาโมกหรือปุโรหิตในครั้งนั้นก็คือพระองค์ในครั้งนี้หัวใจความในชาดกก็มีเพียงเท่านี้แต่ประเด็นที่น่าที่น่าศึกษาก็คือเรื่องของความคิดการมองคนอื่นด้วยความรับผิดชอบ ซึ่งด้านตั้งหลายจะเห็นว่าลักษณะาทางสังคมพระหรือแม้สังคมชาวบ้านแต่การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในฐานะมีสถาบันเดียวกันหรือสกุลเดียวกันครอบครัวเดียวกันหรือว่าว่าอารามเดียวกันหรือแม้แต่ศาสนาเดียวกันนั้นเมื่อมีปัญหาอะไรก็ต้องสำนึกคิดถึงกันแล้วก็มีความรับผิดชอบร่วมกันพระภิกษุในสมัยพระพุทธกาลนั้นมีปัญหาอะไรท่านจะมานั่งปรึกษากัน ว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นควรจะทำอย่างไรควรจะแก้ไขอย่างไรในกรณีนี้ก็เหมือนการพระรูปนี้ทั้งเกิดหัวดื้อขึ้นมาที่นี่ไอ ห, หัวดื้อนี่มันเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดในการปฏิบัติธรรมะเลยแล้วมันจะประทะธรรมะไว้ทั้งหมดไม่ยอมรับโอวาทคำแนะนำชี้แจงสั่งสอนอะไรใครเลยบางทีก็รัน ดันทุรังออกไปนอกรูนอกทางแต่ว่าในาขณะเดียวกันนั้นไอพ้พฤติกรรมของภิกษุรูปนั้นเน่ทั้งบวกทั้งลบมันมีส่วนสัมพันธ์ต่อสถาบันสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุกจะทำยังไงจึงจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้พระพูดกับท่านดีๆนิดๆหน่อยๆอะไรตักเตือนนิดก็ไม่ได้โกรธกระทบนิดก็โกรธ ว, ว่าอะไรหน่อย ก, ก็โกรธเวชีผิดก็โกรธ แล้วท่านก็ชอบทาผิดซะเลยบางทีก็ยิ่งทำกันใหญ่โตเป็นปัญหาที่พระท่านมองเห็นว่าเป็นจุดอันตรายคืออันตรายในส่วนตัวท่านเองนั้นก็อย่างหนึ่งแต่ว่าผลกระทบต่อหมู่คณะนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งท่านก็มาประรุบกันว่าจะทำยังไงไปเจอคนหัวดื้อเขาอย่างนี้ก็น่าดูเหมือนกันพระพุทธเจ้านันตามปกติ เรียกว่าจะสอดส่องคือรู้เห็นสิ่งต่างๆเวลาพระจับกลุ่มกันอยู่ในที่ใดก็ตามก็จะกำหนดดูด้วยะยานก็เรียกว่าที่ประสงค์คือหูทิพย์จะฟังดูถ้าเรื่องอะไรที่ท่านคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเดินได้ไม่มีปัญหาก็ปล่อยท่านไป แต่ถ้าเรื่องนั้นมีปัญหาหรือออกจ อ, อกนอกทางหรือคนเรานั้นอย่างที่เคยเล่าให้ฟังวันก่อนว่ามีคนก็สารวจว่าคนเราใช้เวลาพูดวาจาเพื่อเจอเสียตั้งคือเกิดมาจนตายนะฮะพูดวาจาเพื่อเจอจะตั้งเจ็ดปีใช้เวลาศูนย์ไปในเรื่องเพื่อเจอริตั้งเจ็ดปีมีการ คิดออกมาเป็นตัวเลขก็ก็น่าศึกษาดีเหมือนกันแล้วก็น่าคิดนะฮะว่าพระจาาเพื่อเจอมันก็เป็น อ, อจริงเหมือนกันเจอคนใช้ไปถึงเจ็ดปีพอพระออกจะักะชักจ ะ, ะเพื่อเจอแล้วนะฮะพระคนคนคุยกันมากมากนี่มันก็มีคนตั้งเรื่องที่จะออกไปนอกทางจนได้แม้แต่ขนาดประชุมรัฐสภาประชุมใหญ่ๆยังไงมันก็ออกไปนอกเรื่องจะได้เพราะมัน บางคนบางค น, คนมนก็มีความมันในอารมณ์คืออยากจะพูดอะไรขึ้นมามันก็ออกไปนอกเรื่องพระเจ้าจะเสด็จคือจะเสด็จสองเรื่องคือหมายความมาเกิดตีบตันขึ้นมาในหาทางออกไม่ได้แล้วชักจะนอกเรื่องจะเสด็จเสด็จก็ไม่ได้เสด็จพุ่งตร ง, งเป็นคล้ายๆกับว่าเสด็จดูตรวจดูความเรียบร้อยภายในพระอารามทต่นั้นเองเพื่อไม่ให้พระท่านตกใจ แล้วก็เป็นธรรมเนียมในสมัยพุทธกาลอยู่ประการหนึ่งวา่าพระจะนั่งประชุมอยู่ในที่ใดก็ตามจะต้องปูอาสนะไว้เพื่อพระพุทธเจ้าเสด็จไม่เสด็จก็ไม่เสด็จแต่เมื่อเสด็จก็มีอาสนะเตรียมไว้ตลอดนี่ก็เป็นเป็นแบบแผนอย่างหนึง่งพอพระพุทธเจ้าเสด็จทุกรูปก็ต้องเงียบไม่มีใครพูดเมื่อเสด็จไปประทับนั่ง พระก็เงียบอย่างนั้นนะะไม่มีใครกล้าพูดพระพุทธเจ้าจะต้องถามขึ้นนี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่า เ, าเมื่อเสด็จไปในที่ใดก็ตามนั้นจะต้องปรารบเรื่องขึ้นเองคือจะให้คนอื่นเขาพูดไม่มีใครเขากล้าพูดพระพุทธเจ้าจะต้องปรารบเรื่องนั้นขึ้นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรบุญญาธิการบุญญาธิการของ คนระดับพระพุทธเจ้าที่สยบคนอื่นไว้ได้ด้วยพุทธานุภาพซึ่งเราจะเห็นว่าแม้แต่จิตใจของคนที่กระด้างเห็นพระปัญจวัคคีย์เริ่มกระด้างตั้งตัวเป็นตรตรูนี้มาทั้ง200กว่ากิโลพอเห็นก็กระด้างแล้วนัดหมายกันด้วยความกระด้างทั้งหมดแต่พอมาถึงมันหายไปนี้เป็นพุทธานุภาพท่านบอกว่าเป็นผลแห่งทานที่พระองค์ให้ดีแล้วในในการก่อน อย่างที่เคยเล่ามาในวันก่อนที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงแกพระนางสุมนเทวีที่ว่าคนที่ให้ทานนั้นคนอื่นจะประในแง่ของการบรรดาลแห่งบุญนะฮะในแง่ของการบรรดาลแห่งบุญว่าคนอื่นจะประพฤติต่อคนนั้นด้วยความเคารพอ่อนนะ้อมเพราะอันทานของพระพุทธเจ้าในสมัยที่เป็นประโพธิสัตว์มันขึ้นถึงปรมาธบารมีทาน แม้แต่ในชาติพระเวศสันดรเองก็มีเยอะที่คนอื่นก็ทำไม่ได้แต่พระองค์ก็ทำได้พอมาเป็นพระพุทธเจ้าบุญญาธิการเหล่านั้นก็ส่งออกมาในรูปที่เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมีคนเป็นร้อยเป็นพันต้องเงียบหมดไม่มีใครกล้าพูดโดยเฉพาะที่เป็นพุทธบริษัทแต่แม้แต่ว่าคนที่มาเฝ้าข้างนอกบางทีมันก็สับสนนิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะเงียบ คือแสดงสถานะกันเช่นตอนเสด็จกรุงราชครื้คราแรกอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของแขกบางคนก็บอกชื่อบางคนก็ยืนนิ่งบางคนก็แสดงสถานะของตัวเป็นการ ก, ก็โชว์กันในสมัยที่ในที่ประชุมเหล่านั้นนี่ก็เป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งเมื่อพุทธเจ้าทรงประรูขึ้นท่านเหล่านั้นก็กราบทูลแล้วก็มีวิธีการอย่างหนึ่งที่ จ้ทรงใช้ในกรณีของชาดกจะทรงใช้ว่าเรื่องเหล่านี้ได้เคยมีมาแล้วในอดีตเธอเคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วในอดีตได้จะหยุดจะไม่เทศ จ, จะไม่รับสั่งอะไรต่อไปก็อยู่ที่ไหนมันมีลักษณะกระตุ้นกระตุ้นในเกิดฉันทะอุสาหะที่จะฝังทาให้ใจน้อมไปที่จะฝังก็เรียกว่าบุคคลตนนั้นก็อยู่ในสภาพพร้อมที่จะฝัง ขอกราบทูลขอให้ทรงแสดงพระองค์งก็ทรงแสดงอที น, นี้หลักในการฝึกคนสามข้อนะอันนี้ดีมากเลยอาจารพ่อว่า พ, พระเจ้าพรมทัตพระเจ้ากรุงพารณาณสีนั้นมีวัตถุประสงค์ในการส่งลูกออกไปรืยวัตถุประสงค์สามประการประการแรกก็คือเพื่อฝึกปรือลูกชายให้ช่วยตัวเองได้ ให้มีความอดทนแล้วมีการช่วยตัวเองด้วยความเพียรพยายามของตัวเองจึงเราจะพบว่าในกรณีนี้บางทีนั้นคนเราในปัจจุบันก็คิดไม่ถึงท่านบางทีก็เลี้ยงลูกให้เป็นเทวดาไปเลยบางก่อนนี้ เ, เพื่อนอามาคนในเวนี้ก็เป็นผู้จัดการบ้านจัดสรรใหญ่โต ส่งลูกไปเรียนมันรหรูเหลือเกินโดยเตือนแกบอกว่านี่เรามป็ก็ลูกชาวนาตอนนั้นเองนะตอนเราเรียนเราก็เรียนสาราวัดเรื่องอะไรที่จะให้ลูกเรียนวิเศษมากมายอย่างนั้นแกบอกไม่รู้จะว่ายังไงนะลูกมันต่อว่าพ่อได้แต่พ่อเรียนสาราวัดเพราะพ่อเป็นลูกชาวนาผมมันลูกผู้จัดการเนละยที่ก็ตอบไม่ได้ตั้งพ่อทั้งแม่เลยตอบไม่ได้ก็โอ้ลูกกันไปใหญ่ลูกมันก็เป็นเทวดาไปได้ แล้ในที่สุดมันก็เหยียบไม่ถึงดินแทนที่จะรู้คุณค่าของชีวิตคุณค่าของการต่อสู้การได้ทรัพย์สินเงินทองมาด้วยความยากลำบากเนี่ยอ็จะเพราะว่าการฝึกปลือลูกของเราเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่เหมือนกับที่คนโบราณท่านฝึกมาหรือแม้แต่ที่ฝรั่งเขาฝึกหรือที่คนจีนเขาฝึกแต่เราฝึกแล้วก็เลี้ยงลูกเป็นเทวดากันเลยโอให้หมดเอาอะไรก็เอา บางทีว่างๆเวลานี้ลูกเศรษฐีก็ไปขับรถแข่งกันแถวอังรีดูนังอะไรแต่แถวๆนี้ลูกจะเอารถก็เอาอัน น, นี้แต่ขนาดนี้เรามองดูว่าท่านเป็นพระราชาแต่ท่านทรงลูกให้ไปเรียนโดดเดี่ยวแล้วให้เงินไปอย่างจำกัดเป็นการฝึกคนให้รู้จักช่วยตัวเองแล้วมีความอดทนต่อความยากลาบากความทุกข์ทรมานความเดือดร้อนความรุนแรงต่างๆนั้นเป้าหมายอย่างหนึ่งคดี เป้าหมายอย่างหนึ่งนั้นคืออย่าให้อยู่สูงเกินมนุษย์มรรดาไปก็อยู่ร่วมกับคนอื่นเขาได้ก็ได้แก่การให้ลดละมานะความถือตัวในฐานะที่เป็นกษัตริย์ซึ่งระบบนี้เราจะพบว่าเป็นระบบที่พระพุทธเจ้าเองทรงใช้ทรงใช้บางครั้งบางคราวมันมีปัญหาอย่างพวกสักยะพระญาติของพระพุทธเจ้าในจอมมานะเลยมานะจนตายมานะจัด ท่านเหล่านี้ก็รู้ตัวนะฮะแต่ท่านรู้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่างในสมัยที่พวกพระอานนท์พระภัติยะพระอนุรุตพระอุบาลีพระเทวทัตกิมพิะระพวกนี้บวชนะครับเอ่อต้องการจะลดมานะของตัวเองคือเอาพระอุบาลีให้บวชซะก่อนพระอุบาลีนั้นเป็นภูษามาลาของกษัตริย์หนุ่มเหล่านั้นให้บวชเสร็จแล้วพวกนี้ก็กราบลูกน้องซะก่อน กราบลูกน้องปฏิบัติว่าถากลูกน้องซะก่อนลดมานะตัวเองแล้วจึงบวชนี่ก็เป็นวิธีการฝึกเพื่อลดละมานะของตัวเองมานะมีลักษณะกระด้างคือชูขึ้นออซึ่งก็มีปัญหาในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนพระพุทธเจ้าเองจะทรงเน้นในเรื่องเหล่านี้ในกรณีที่ท่านเหล่านั้นมีฐานะคือรู้สึกตัวตัวใหญ่มาก่อน พระพุทธเจ้าจะโน้มน้อมเข้าหาอย่างเย็นตัวอย่างพระมหากัสปะถึงท่านเป็นผู้ใหญ่เป็นมหาเศรษฐีนะฮะพระมหากัสปะนี่รวยมาโหฬารเลยสองสกุลรวมกันแล้วตั้งร้อยหกสิบโกรเาไม่รู้จะเท่าไหร่พอเริ่มสอนคราวแรกสอนลถมานะแล้ว <c oughs> <c oughs> ดูกรกัตเสปะเผลอเจอพึงเข้าไปตั้งความละอายและความยำเกรงไว ในพิศุทธ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นผู้ใหม่ทั้งที่เป็นปานกลางทั้งที่เป็นผู้เท่าอย่างแรงกว่าอย่างแรงกล้าอันนั้นในการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนก็ต้องลดมานะลงไปมานะความถือตัวจัดนะความกระด้างความเยียดหยิ่งความลำพองที่ว่าภาษาในมงคละสูตรพระพุทธเจ้าใช้ดีใช้คาว่านิวาตะวาตะแปลวา่าลมนิวาตะแปลว่าลมออกคือไม่เบ่ง เป็นคนไม่เบ่งจำนวนทยก็แปลดีคือไม่เบ่งไอ้พวกเบ่งๆในแสดงว่ามีลมมากทีนี้ในข้อที่สองก็ในด้านการฟังคําสั่งสอนบัน ท, ทีมันก็ด้างนะครับพระหมากระสปะนั้นท่านแก่กว่าพระพุทธเจ้าแก่กว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เท่ามาบวชนี่พระเจ้าก็รับสั่งว่าดูก่อกัะสปะเมื่อฟังทำอันใดเธอพึงเงีย้ย หูลงฟังคํานั้นกําหนดข้อความแห่งธรรมนั้นแล้วพิจารณาข้อความแห่งธรรมนั้นนี่มันก็สมับลดมานะกับสาหรับคนแก่หรือคนแก่จะต้องมีความตั้งใจสูงเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็หายไปเลยมาควางเทศในบทไปบอกเพื่อนบอกแม่พระเทศดีเหลือเกินนะเนี่ยกระทาเทศเรื่องอะไรไม่รู้ดื่มจะแล้วขนาดลืมนะฮะแต่ยังไงท่านก็ยังบอกว่าสาธเทศดี คนจำเนื้อหานั้นก็จำไม่ได้ทีนี้ อ, อย่างยกตัวอย่างว่าพระมกลานะก็เหมือนกันพระมกรลานะนั่นเป็นบุตรของนายบ้านนะเป็นพรามมหาศารพรามพวก ม, มหาสาลนี่เขากำหนดด้วยรับจะมีกี่โกดก็เรียกมหาศาลพรามมหาสา ร, ร, สารนี่มีทับแปดสบโกดก็เยอะนะฮะ 80โกดกหาปณะนะไม่ใช่ไม่จะแปดสิบโกดกีบนะ8ปโกดกหาปณะนะก็เยอะรวยมากก็รับสังว่าดูก่อนโมคคลานะเธ อ, อยาชูงวงคือถือตัวเข้าไปสู่สกุล ข, ขี้จะเบ่งนะฮะชูงวงจะเบ่งเข้าไปว่าชั้นใหญ่ชั้นโตอย่างนั้นอย่างนี้คือบางทีมันพรุงพรังลักษณะของมานะมันก่อให้เกิดอาการพรุงพรัง เห็นว่าเป็นพระนี่พอเป็นเจ้าคุณแล้วเพื่อนเอาน้ําดื่มส่งทั้งขวดให้ดื่มนี่ไม่ได้ไม่ให้เกียรติต้องมีอะไรตัวอะไรมาขึ้นประดับเสียเวลาเปลืองเสียตังก็คือน้ําดื่มเหมือนกันแต่นี้มันก็อยู่ที่มา น, นะเราจะเห็นว่ามีเยอะนะฮะการปฏิบัติลําบากวันก่อนนี่มีพระเข้ามาเล่าอีควางว่าท่านรูปนั้นจะต้องไปส่งด้วยตัวเองฝากไปก็ไม่ได้ส่งไปสนีก็ไม่ได้จะติดต่อกับท่านต้องเอาไปส่งด้วยมือของท่านเอง ถ้าไม่อย่างนั้นถือว่าไม่ให้เกียรติอันนี้เที่ยวแบกอันนี้กันเนี่ยมา น, ะ น, น้ป ร, รุงพรังเอ่อบางทีชาวบ้านมันก็ติดตเมื่อวานในโรงเรียนราชวินิตเขามามานิมนต์ที่กุฏิว่าจะให้ไปช่วยอบรมครูเสร็จแล้วบอกว่าจะมีหนังสือตามมาอีกามาถามมาตามมาทําอะไรเปลืองกระดาษเสียเวลามาด้วยตัวเองแล้วจะส่งหนังสือมาอีกเขาส่งหนังสือนิมนต์แล้วก็กจดไว้แล้ว ก, ก็รู้แล้ววันหลังเอารถมารับก็แล้วกัน เรื่องอะไรจะเปลืองเปลืองแรงงานเปลืองกระดาษเปลืองหมึกของราชการอีกเป็นนันมากแล้วเปลืองสแต็มด้วยนี่คือคือคนเราถ้าหากว่าไอ้ลดลดอะไรลงไปเชบ้างมันก็จะเบาๆลงเรืงเยอะไม่ต้องไปวุ่นวายสับสนอะไรนี่ก็ต้องการแก้ตรงนี้ทีประการหนึ่งคือการเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆคือสรุป ป, ปริสันยุตานะ บริษัญุตาคือรู้จักปริษัทต่างๆขนบธรรมเนียมแบบแผนประเพณีจารีตที่พึงประพฤติปฏิบัติอะไรเนี่ยคือเราเขาไม่ถูกแหละแม้แต่ว่าเรื่องศาสนาพิธีเองอาตมาเองเวลาใครก็ถามศาสนาพิธีมาไม่เคยกล้าตอบเพราะอะไรเพราะที่จริงมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบางคนต้องขึ้นณโมก่อนบางคนไม่ต้องขึ้นบางคนต้องว่าอย่างนั้นบางคนต้องว่าอย่างนี้เราจะว่าเขาผิดมไม่ได้พรที่จริงไอ้แบบแผนจริงๆที่เป็นสากลนั้นมันไม่มี เราไม่ต้องเอาอะไรหรอกหนังสือนังหาที่กรมการาศาสนาเขียนมาที่พระเขียนมาที่สำนักระราชวังเขียนมาวิธีเรื่องเดียวกันก็ไม่เห็นพูดตรงกันเลยหรือสภาเอเอสำนักวัดธรรมแห่งชาติเขียนมาจิ่งเหล่านี้ไม่มีความเป็นสากลเพราะต่างคนต่างคิดไปอย่างนั้นดีแล้วก็เขียนออกไปเวลาคนจะประพฤติปฏิบตัติมันก็ออกจะลําบากนะครับไม่รู้ปฏิบัติยังไงจึงจะถูกเพราะถูกคืออะไรก็ยังไม่รู้นี่คือ เรื่องขึ้นอยู่กับความปักใจความสนใจของคนทีนี้าการเรียนรู้บางอย่างเนี่ยในหลายๆอย่างเราก็รู้เอาไว้ปฏิบัติคล้อยตามเหมาะสมแก่สถานที่นั้นนะเช่นว่าทางภาคอีสานเขาปฏิบัติอย่างไรภาคอีสานแทนที่อย่างพระฉันแล้วแทนที่จะยะถาเนี่ยเขาไม่ยะถาเขาจะกล่าวสมโมตนิยกถาที่ ก, ก่อนจะกราวธรรมะทะก่อนเรียกทำมัณฑะาสั้นๆ แล้วก็จึงจะมีการย่าถาเนี่ยเพราะเราจะถือแบบนี้เป็นแบบสากลมันก็ไม่ได้มันอยู่ภาคกลางไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ทํากันอย่างนั้นนี่ก็คือจารีตแบบแผนต่างๆาทีนี้เราจะเห็นว่าความอะไรของพระราชกุมารที่เข้าไปศึกษานั้นก็เป็นแบบแบบนี้ก็เคยล่ามาแล้วเรื่องหมอชีวกมันแบบก็แบบเดียวกันคือแต่ว่าหมอชีวกนั้นไปอยู่แบบธรรมันเตวาสิก คือไปเรียน อ, อยู่กับอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานอาจารย์รับใช้อาจารย์พระองค์กุลิมาเองก็เรียนแบบนั้นเพราะวิธีนี้ก็ถือว่าใกล้ชิดอาจารย์ดีกว่าไม่ใช่เสียดายเงินนะบางทีลูกราชาลูกเศรษฐีเขาชอบให้เรียนแบบนั้นคือต้องการฝึกลูกให้ให้ให้เป็นคนเนี่ยฝึกลูกให้เป็นคนด้วยเหมือนกับพระราชบิดารับสั่งแก่นักเรียนแพทย์ น, ะ อ, นอกจากฉันต้องการจะให้เธอเป็นแพทย์ที่ดีแล้วก็ต้องให้เธอเป็นคนด้วย กเรียนรู้ความเป็นคนเป็นมนุษย์ด้วยพระเจกุมารนั้นมีลักษณะที่จริงไอของมันไม่มากงากรรมหนึ่งเนี่แกก็คงกรรมไม่ได้หมากไม้ไรถไร่ประกรรมเร า, าก็ใส่ปากแต่นั่นเองแต่มันแสดงให้เห็นถึงความมักง่ายของคนแล้วถ้าง่ายตั้งแต่ตอนต้นแล้วต่อไปมันง่าย ม, มีวันก่อนผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกว่า เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาคือท่านพูดในวงพระนะฮะท่านไม่พูดในวงชาวบ้านท่านพูดว่าเดี๋ยวนี้มันมีแต่เราหาพระใจสิงไม่ได้มีแต่พระใจส่อหรือพวกใจสิงจริงๆมันมีน้อยมีแต่พระใจส่อแล้ว ก, ก็มีคนมกักมากมักได้มักใหญ่มกักอย่างอื่นไม่ค่อยมีมีแต่มกักมากมักได้มักใหญ่แต่นั้นเอง ว่างก็เล่นข่าวตังหนังสือพิมพ์แย่งตําแหน่งเจ้าคุณอะไรกันเพลินๆไปงั้น เ, นเนองอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงว่าไอ้ น, นี่มันมันง่ายเลยมันง่ายไปด้ว่อยคนเราทําอะไรง่ายแล้วก็ง่ายไปแต่ถ้ามีการฝึกปรือมีการควบคุมบังคับบัญชาจะทําอะไรไม่ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่พระพุทธเจ้าทรงใช้ว่าให้มีปกติเห็นหน้ากลัวไม่แม้ในโทษเพียงเล็กน้อย นั่นคือฝึกอัตยาสายคนให้มีความปานนิดขึน้นไม่ใช่นึกจะหยิบอะไรของคนก็หยิบอย่างวันก่อนก ล, กลับมาจากกลับมาจากกรมทหารที่ประจวกพวกคนก็ลงเขาก็ ข, าขอจอดจอดรถซื้อของที่เพชรบุรีมามองไปจากในรถไปหยิบของเพื่อนกินในนั้นชิมชิ้นหนึ่งไอ้นั้นชิมชิม้นหนึ่ง ม, มันเกือบอิ่มไปนะนจริงก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะักินอย่างนั้น คืมันง่ายเกินไปเราก็ไม่นึกว่าของเขานั้นแม่แม้เราจะซื้ออะไรก็ตามแต่ไม่ควรจะไปชิมก็เป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนั้นไอ้ส่วนที่เขาให้ชิมก็ว่าชิมไปแต่เขาไม่ได้ให้จิมนะเอาไปหยิบเขาเปิดโถนั้นขึ้นมาหยิบขึ้นมาชิ้นหนึ่กินแ้วก็หยิบโถนั้นก็ไปชิมกินเล่นชิมอะไรทั้งชิ้นนชิมมากไปหน่อยชิมจนอิ่มนี่ก็คือง่ายไปแล้วทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน ซึ่งลักษณะเหล่านี้เราจะพบว่าในที่บางแห่งเช่นรถบรรทุกอะไรแต่ไรแม่ค้าส่งของเนี่ยเพื่อหยิบกินใชตั้งเยอะนะกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางาแล้วเรามองดูถึงยายแก่ท่านนี้ท่านไม่ได้เสียดายของแต่ท่านเสียดายคนนะฮะให้เราสังเกตว่าท่านไม่ได้เสียดายของแต่ท่านเสียดายคนว่าคนระดับลูกศิษย์ที่สาปามโมกแล้วก็สแสดงอาการออกมาอย่างนี้ ต่อไปก็จะเป็นยังไงแกก็ไม่ยินดีที่จะหาเอาค่าดใช้อะไรแต่ท่านเสียดายคนเสียดายเด็กอะแบบคนแก่สงสารเด็กแลก้วแกใจกว้างพอสมควรนะอาจารย์ที่สาปาโมกนั้นเมื่อมองดูแล้วก็เห็นว่าลูกศิษย์เนี่ยต่อไปนั้นอาจจะทําอะไรที่เป็นง่ายรุนแรงมากกว่านี้เพราะงั้นท่านก็ลงโทษให้ประจักษ์คือให้ละอายด้วย แล้วให้เกรงกลัวด้วยเพื่อจะเกิดความระมัดระวังต่อไปที่จริงมันก็เครียนเพียงสามทีเท่านั้นเองก็ไม่ได้บาดเจ็บอะไรเท่าไหร่ถ้าแกก็น่าจะพิจารณาเห็นแต่อะไรเพราะมานะยังลดไม่ได้คือวัตถุประสงค์ของพระราชบิดาที่ตั้งไว้เพื่อให้ลูกชายได้ลดละมานะลงไปมันลดไม่ได้พูดถึงเคียนเจ้านายนึกถึงครูแปลกที่สงขามีเจ้านายระดับพระองค์เจ้านะฮะเป็นเด็กซนจังเลย ท่านสอนท่านทนมากเลยท่านทนจนไม่ไหวแล้วมันอาลวาดเพื่อนวุ่นวายไปหมดเลยตัดสินใจเพือเคียนสั่งญาติเลยทุบหมดทั้งสามคนเสร็จแล้วกลับบ้านเอาของลงกระเป๋าเตรียมหนีแต่พอดีท่านเจ้านายผู้ใหญ่คือพ่อของพระ อ, องค์จ้านี่กำลังเมาเหล้าอยู่ทีเดียวคนไปบอกแต่ท่านเกิดดีใจบอกเออดีดี ด, ดเคียนมันเจะมั่งก็ดีตกลงได้โปรดปรานเป็นพิเศษ จะแทนที่จะต้องหนีเลยเลยกลับยกย่องเป็นพิเศษแต่นี่คือคือก็เป็นการตัดสินใจที่ออกจะเสี่ยงซึ่งในการปกครองคนในการสั่งสอนคนบางทีไอ้เรื่องเหล่านี้เราก็ต้องเสี่ยงเอา ล, ลูกศิษย์ลูกหาบางทีไม่มีทางออกอย่างอื่นหรือจะต้องออกด้วยวิธีที่แรงบอสมควรเพราะทําให้ออกไปอย่างนั้นแกอาจจะเสียหนักขึ้นไปกว่านั้นอาจารย์นิสาปาโมกก็เห็นก็เห็นแววมาตั้งตั้ ง, ต, งตั้งหลายเรื่องแล้วนะฮะ จะมาเรื่องนี้ออกจะหนักข้อไปไปหน่อยเพราะงั้นก็ต้องฝากอะไรไห้ภายในใจเคยนึกถึงรอยแผลแม้คราวแรกแกก็นึกถึงด้วยความโกรธนะซึ่งตามปกติแล้วลูกศิษย์ลูกหาบางทีเนี่ยอารงโทษแกตอนเป็นเด็กๆตอนนั้นแกก็ผูกใจเจ็บแต่ว่าพอโตเป็นผู้ใหญ่แกจะค่อยเข้าใจเหตุผลมากยิ่งขึ้นซึ่ง ผู้อาจารย์หรือพ่อแม่หรือผู้ปกครองเองบางทีเราก็ต้องเสี่ยงเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของเราเป็นคนดีอาจารย์ทิสาประมคท่านก็แนวของวิญญาณครูประสมควรทีนี้เรามองดูว่าไอความโกรธเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่ามันเป็นเครื่องผูกมัดผู้จับใครู้จับคือจับอะไรมัดเอาไว้มีอะไรที่จับผู้จับเสมอด้วยความโกรธไม่มี ที่จับไปนานนะตั้งแต่สมัยเป็นพระเจ้กุมารจนเป็นพระราชาอายุถึงมัดชิ ม, มวัยแล้วยังไม่หายเลยสามทีแต่นั้นเองเกี่ยสามทีแต่นั้นแต่ผูกใจเจ็บไปได้ทีนี้อาจารย์นั้นเป็นคนที่มีวิจารณญาณถือไม่ใช่กลัวตายหรอกแต่ว่าต้องการจะตอกย้ำให้ลูกศิษย์แก่เข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ย แว่าการพูดกับคนมันต้องอยู่ในสภาพพร้อมจะเราจะเห็นว่าอย่า ง, างในกรณีที่เราจะดุลูกหลานเนี่ยเมื่อเราโกรธในขณะที่เราโกรธลูกหลานไม่พร้อมอย่าพูดพูดเสียเวลาเปล่าวันหลังให้แกสบายสบายเราก็พร้อมที่จะใช่เหตุผลแกก็พร้อมที่จะจะฟังแล้วค่อยพูดกันถ้าดุกันขมวงฉงเฉงแล้วไม่ได้เรื่องมันร้อนต่อร้อนมันเข้าวัทะกัน ซึ่งจุดเสียจุดนี้ในการปกครองเด็กก็ดีในการปกครองคนก็ดีคือเราเอาความรุนแรงไปต่อสู้กับความรุนแรงบางทีเด็กแกก็แรงกว่าเรานะก็เลยก็หาข้อยุติกันไม่ได้แต่ถ้าเราใช้วิธีรอมันเย็นๆคือเราเองก็พร้อมที่จะใช้เหตุผลแต่เราจะไม่พูดด้วยความโกรธแม้จะลงโทษก็ไม่ลงโทษด้วยความโกรธแต่จะลงโทษด้วยเหตุผลที่แกยอมรับยอมจำนนทั้งกายทั้งใจ มันจะไม่มีอะไรจะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่พร้อมที่จะลงโทษได้ทีนี้ถ้าหากว่าเราใช้ในวิธีในในเวลาที่เด็กแกก็ไม่พร้อมนะฮะไม่พร้อมที่จะคิดเพราะแกปากไปในแนวนั้นไหนไอเราก็จะโมโหชักยั่วขึ้นมาเลย ก, ก็ไปกันใหญ่ข้าวปากันไปได้หาทางบรรจบกันไม่ได้ เพราะงั้นถ้าจะว่ากล่าวตักเตือนแนะนำอะไรนั้นต้องให้พร้อมทั้งสองฝ่ายคือคนฟังก็ควรจะพร้อมที่จะฟังแล้วคนพูดสภาพจิตจะต้องไม่พูดด้วยความโกรธแต่ต้องมีเมตตาจิตพูดในขณะนั้นทิ้งไว้ก่อนคือมองปัญหาแล้วเราค่อยดึงกลับมาเพื่อแกคิดนะว่านันคือความผิดนั่นคือความถูกให้แกคิดเัาเองอาจารย์ท่สาปามกได้แสดง ถึงว่าการกระทําเช่นนั้นเป็นการกระทําที่เรียกว่าอริยะคือผู้ประเสริฐนะอริยะคํานี้ไม่ใช่อริยะเจ้าแต่ที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งก็กเพิ่งพบนะฮะเพิ่งพบในชาดกนี้เองท่านแสดงอริยะไว้สประเภทอริยะตามแนวความคิดของท่านน ะ, ะตามในหลักของท่านประเภทแรกก็คือก็เรียกว่าอริยะที่ควรแก่การประสบพบเห็น คือบุคคลที่มีความประพฤติดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีมีความส ง, งบงเสงี่ยมเรียบร้อยเห็นแล้วเกิดความประทับใจความสบายใจก็ตามสูตรมงคลและสูตรที่ทรงแสดงว่าสมนานันจะรัสนังเอตมังกัลมุตตะมังการพบเห็นท่านผู้ส ง, งบเป็นอุดมมงคลหรือพบเห็นสมณะเป็นอุดมมงคลนั้นก็ประการนัน อิประการหนึ่งนั้นเป็นด้วยความประพฤติเป็นด้วยความประพฤติของท่านได้แก่อาการกิริยาวาจาที่แสดงออกคือเห็นนั้นหมายความว่าท่านไม่ได้พูดาจาอะไรนะเช่นอะไรเช่นพระสารีบุตรเห็นพระอัสชิพระอัสชิไม่ได้พูดอะไรแต่เห็นแล้วมันเกิดความประทับใจความปรับรื้มใจแล้วเกิดความเลื่อมใสคิดมาแต่นี้ท่านพูดท่านแสดงอาการกิริยาอย่างอื่นด้วย แต่ก็สร้างความประทับใจก็ถือว่าเป็นอริยะได้ประการที่สมเรียกว่าลิงคาอาริยะคือเพศนะฮะเพศเพศของพระอริยะอันนี้ไม่แน่เสมอไปเช่นว่าเป็นนักบวชซึ่งนุ่งขมจีวรเป็นดวงชายของพระอระหรันต์สองประเภทแรกนั้นอาจจะเป็นคารวะก็ได้นะฮะเป็นนักบวชก็ได้ก็ไม่ได้ว่าไรแต่ว่าแนวที่สาม ที่สามนั้นก็อยู่ในเพศของสมณะหรือเพศของพระอริยะซึ่งตามปกติแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่เพศของตนแต่บางทีก็ไม่ค่อยแน่นะฮะอย่างนิทานที่ท่านแสดงไว้ในชาดกเป็นอันมากเหมือนกันคือสงบส ง, งยมภายนอกแต่ว่าภายในจิตใจมี ม, มีปัญหามีอะไรอยู่ทั้งมากมาย เมือ่อวันก่อนนี้มีเมื่อวานเลยฮะเมื่อวานในทหารอ า, ากาศเขาเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เขาพิสูจน์พระองค์หนึ่งซึ่งลือเหลือเกินว่ามีกำลังใจกล้าแข็งอย่างนั้นอย่างนี้เป็นสมาธิเฉียบแหลมอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยแล้วก็นั่งรถไปด้วยการปรากฏรวคนขับรถขับเร็วอาจารย์คนนี้ตกใจกลัวตัวสันเลยนี่มันก็แสดงอะไรให้เห็นประสมขวดนะครับ เพราะตามปกติคนที่กลัวนั้นคือคนรู้กับคนไม่รู้ไม่ใช่คือคนที่ไม่กลัวนะครับคนที่ไม่กลัวนั้นคือคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้คนที่รู้พระอรหันต์นั้นท่านไม่กลัวเพราะท่านรู้สมบูรณ์ทีนี้คนคนไม่รู้ก็ไม่กลัวอย่างเด็กแกไม่รู้ไฟร้อนแกก็ไม่กลัวแกจับไฟได้แต่ว่าหลังแกไม่จับคือหลังจากแกร้อนแล้วเพราะแกรู้แล้วแกก็จะไม่จับ นี่ก็เป็นเป็นข้อที่น่าสังเกตว่าอย่างหนึ่งดังนั้นถ้าหากว่าท่านรู้จริงท่านก็ไม่กลัวแต่ว่าการที่ท่านแสดงความกลัวออกมานั้นก็ก็คงจะไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ประการต่อไปก็คือเาเรียกว่าเป็นพระอริยะปฏิเวทะ อ, อริยะอันนี้จริงนะฮะอันนี้จริงเลยคือเป็นพระอริยประเภทที่ได้บรรลุเข้าถึงปฏิเวทปฏิเวทก็คือเป็นพระอริยบุคคลระดับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะฮะแต่ปฏิเวทจริงๆนะฮะหมดหมดจริงๆคือพ้อนพ้นกระแสของสังสาระจริงๆก็มีเฉพาะที่เป็นพร ะ, อ, พระอรหรันตานั้นแล้วข้อนี้ให้สังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่า เมื่อถึงจุดนี้นะคะเมื่อถึงจุดนีเ้เราก็ถือว่าเป็นสมณะเป็นสมณะแล้วก็ไม่ได้เจาะจงเป็นสมณะเป็นสาวกาศัลโญ ค, คือหมู่สาวกของพระพู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้เจาะจงเพศแล้วพอถึงจุดเป็นพระอริยะไม่ได้เจาะจงเพศคือเป็นญาติโยมก็ได้เป็นชาวบ้านก็ได้ ว่าในาบทคําแปลที่เราสวดกันนะฮะลองสังเกตคําแปลดูว่าที่ที่สุปฏิปันโนเป็นต้นมานะฮะมาถึงตอนหนึ่งที่ว่ายดิดังแปลว่า น, นี่คือใครจตาริปุริสุการนิคู่แห่งบุรุษสี่อัถาปุริสุปุกลาบุรุษบุคคล8ดเอสะปะกวะโตสาปะกสังโคนี้พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าตอนถ้าเรามองจากจุดนี้ก็จะพบว่าไม่ได้จํากัดด้วยเพศ แต่จำกัดด้วยปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานที่ท่านู้นั้นได้บรรลุความเป็นพระอริยะด้วยปฏิเวทอริยะปฏิเวทอริยะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เด็กก็ได้พระเนร์ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเป็นได้ทั้งหมดอยู่ในกลุ่มของสาวกสังโฆถ้าไม่ได้เจาะจงเพศเพศก็คือเพศ ก็แนวเดียวกับอะไรแนวเดียวกับบุคคลสี่ประเภทที่เคยบอกนะคือพวกออกจากอ่ากามออกจากกิเลสเนี่ยอหนึ่งกายก็ไม่ออกใจก็ไม่ออกพวกนี้ไม่ต้องพูดพวกหนึ่งกายออกแต่ใจไม่ออกมันก็เป็นลิงคะอริยะคือเป็นเพศโดยอ่าเป็นอาริยะโดยเพศแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งนั้นใจออกแต่กายไม่ออกซึ่งก็หมายความว่าเป็นอาริยะโดย ความประพฤติเป็นอริยะโดยความประพฤติประเภทที่สองนะฮะแล้วก็พอมาถึงประเภทที่สก็ออกทั้งกายทั้งจิตอันนี้ก็เป็นทั้งสองอย่างคือเป็นลิงคอริยะเป็นลิงค เ, เป็นอริยะโดยเพศด้วยแล้วก็เป็นอริยะโดยปฏิเวทด้วยแต่ว่าความเป็นอริยะโดยปฏิเวทนั้นได้กระจายวงออกไปคือทั้งชาวบ้านทั้งทั้งทั้งใครก็ตามนะฮะใครก็ตามที่ ถ้าถึงกระแสของพนิพานคือเป็นประสวดาบันขึ้นไปก็ชื่อว่าเป็นอริยะจากการชี้แจงของอาจารย์ที่ท่านได้ชี้แจงมาโดยลาดับในพระสูตรนั้นซึ่งเราจะพบว่าคนเราพอมีประสบการณ์สูงขึ้นเนี่ยมันจะเรียนรู้จะเข้าใจอะไรได้อย่างยกตัวอย่างประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแก่พระเจ้าชาติสูบรุขาวว่ามีลูกถ้านึกถึงไอ้ความรักลูกที่พ่อมีต่อลูก แล้วก็มองไปหาพ่อคือพระเจ้าพิมพิสารที่มีต่อพระองค์แต่กบันสายเกินการไปแล้วบางครั้งบางคราวนั้นบทเรียนของชีวิตเนี่ยเราปักใจเราสงสยัยเราค่้องใจเราเจ็บใจนะแล้วพอเราแก่นะจึงจะรู้สึกอายุอาา ม, มากขึ้นอะไรมากขึ้นอะไรแต่ละเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าถ้าไม่ ไม่ใช่เพราะคนนั้นเราก็คงจะไม่ได้เป็นอย่างนี้อะไรอะไรเนี่ยซึ่งบางครั้งบางคราวกว่าเราจะคิดได้เนี่ยคนที่มีอุปกรคุณต่อเราได้ตายไปแล้วนี่ก็แสดงว่าเหตุผลความคิดนั้นอยู่ลึกเกินไปมันต้องข้อสนิมออกมาท่านภิกษุรูปนี้ก็มีลักษณะเช่นนั้นเอ่อไม่ใช่พระราชาพระองค์นี้ก็มีลักษณะเช่นนั้น จากถ้อยคาที่โน้มน้อมเข้าหาท่านอาศัยการเวลาจึงก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีประสบปัญหาต่างๆมากขึ้นได้เรียนรู้เรื่องต่างๆมากขึ้นถ้าก็เข้าใจพอเข้าใจล้วเข้าใจไปแรงอย่างที่ว่า น, นี่คือเกิดชื่นชมยินดีมองย้อนมาเลยเนะฮะมองย้อนมาเลยว่าถ้าอาจารย์ไม่หยุดตั้งแต่ตอนนั้น ท่านก็คงจะทำอะไรและจนเสียสถานะของราชกุมารนะคงจะไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือบางทีอาจจะไม่จบการศึกษาไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินและบางทีอาจจะประสบความพิบัติเดือดร้อนไปแล้วก็ได้ mm hmm. ก็ต้องก็เชื่อมโยงอะไรต่ออะไรได้นี่ก็คือการเรียนรู้บางอย่างที่เราได้มาจากตอนต้นเราไม่รู้ว่าเรียนมาทำอะไรแต่พอถึงตอนหนึ่งนั้นเรา ก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นทีนี้การแสดงออกมาอีกด้านหนึ่งคือกระโดดกลับไปเลยนะฮะไปพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมาเลยคือจะแทนที่ผูกอาคาดพยาบาทเจ็บใจโตอตอบล้างแค้นกลับมาเป็นความกะตันอยู่กตวเวทีสำนึกคุณที่เกิดขึ้นเปี่ยมล้นภายในจิตใจขังท่านจนรับครอบครัวอาจารย์มาไว อ้ฐานะญาติยกอาจารย์ขึ้นในฐานะของบิดาและเป็นบุโรหิตท่านเองก็ได้วความอบอุ่นเป็นคนกตัญญูกะตะเวทีอาจารย์ก็กลายเป็นที่ปรึกษาที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ก็กลายเป็นพ่อคนที่สองของพระราชาที่นี้เรามาดูจิตสันดานของคนอีกจิตสันดานของคนมันมีทั้งสองชั้นนะฮะมีทั้งสองชั้นในชั้นที่แกเป็นพระราชากะด้างต้องเคาะสนิมออก ลองเคาสนิมออกแล้วก็ประกายเพชรก็เปล่งประกายออกมาเมื่อกีนพอมาเกิดมาเป็นภิกษุเอาอีกละสันดานเดิมมาอีกละหงุดหงิดโกรธง่ายอ่อนไหวต่ออารมณ์พูดนิดก็ไม่ได้พูดน้อยก็ไม่ได้โกรธเรื่อยพอพระพุทธเจ้ามาเคาะสนิมด้วยเรื่องราวเหล่านี้ใท่านไป่องท่านลิฟที่เดียวพวดถึงอนาคามีเลย นี่ก็เป็นเป็นข้อหน้าสังเกตนะว่าไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าอะไรอธิมุตคือพื้นอัธยาศัยหรือว่าจิตสันดานของคนคนบางคนจะต้องใช้วิธีหนักนำมาก่อนที่พระพุทธเจ้าได้รับสั่งแก่นายเกสีซึ่งเป็นสารถีฝึกมานี่ฮะระการฝึกคนของพระองค์คือแนวการเทศของพระพุทธเจ้ามีสองแนวนะแนวหนึ่งก็เรียกน ah ิกกหมุขเทศนาการาบซะก่อน กำราบจะก่อนปรับพื้นที่จะก่อนแล้วค่อยตามด้วยธรรมะแนวหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าอนุกหามุขเทศนาคือทรงให้ความอบอุ่นอบอ้อมปลุกปลอบให้ท่านเหล่านั้นเกิดความเชื่อมัน่นเกิดความกล้าหาญขึ้นมาอย่างเช่นตัวอย่างพระยาศาเดินบ่นไปที่นี่บุญวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนอะบุญวายเนอะขัดข้องเนอเดินบ่นไปหาทิศทางไปไม่ได้ พระเจ้า ก, ก็รับสั่งว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องมาที่นี่เถิดนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมกระทั่งมันอบอุ่นเหลือเกินนะฮะอบอุ่นเหลือเกินท่านก็เลี้ยวได้เมื่อก่อนมันมันเดินไม่มีทิศทางเลนี่คือคือแนวการเทศของร พ, พระพุทธเจ้าเพระาะเพราะอะไรเพราะคนบางคนนั้นจะต้องปราบพื้นที่เสียก่อนมันเหมือนท่อนซุงที่ตะปุ่มตะปามแยะมันก็ต้องปราบเสียก่อนพอถึงจุดหนึ่งมันก็พร้อม ที่จะรับรู้ที่จะเข้าใจอะไรได้ภิกษุเหล่านั้นภิกษุรูปนั้นก็เป็นเช่นนั้นคือพอขาะสนิมกันแรงๆพอคาะสนิมแรงๆก็ออกได้ที่จริงนั้นจิตเราประพัดสอนอย่างที่บอกเกินมีลักษณะเหมือนเพชรแต่มันปนอยู่กับหินแต่นั้นเองแต่ที่จริงหินกับเพชรมันคนละพวกกันนะนั่นปนกันอยู่แต่นั้นเองเมื่อจิตกระเจตสิกปที่เป็นอกุศลนั้นที่จึิงมันคนละพวกกัน แต่วัจตสิกมึ่งเหมือนกับหินที่นอกจากเพชรมันก็คุ้มเพชรเอาไว้แต่เราเคาะสนิมออกมาคือเคาะไอตัวตัวหินออกมาซึ่งก็เหมือนกับกิเลสประกายเพชรมันก็ส่องแสงพอนำมาจินนายมันก็กลายเป็นของมีค่าขึ้นนี้ก็คนประเภทนี้เป็นคนลักษณะเพชรที่คุ้มด้วยหินมากเพชรในหินพระพุทธเจ้าก็ต้องใช้วิธีย้อนมาคล้ายๆกับบอกว่าเธอเนี่สันดานเป็นอย่างนี้ไม่หายนะ แต่ว่าอย่าลืมว่าแบบสองแบบนะฮะแบบ2แบบว่าไอ้ความกระด้างของท่านนั้นส่งผลให้ท่านในด้านหนึ่งแต่ความอ่อนน้อมของท่านเมื่อสมัยเป็นปราชานั้นส่งผลในด้านหนึ่งมันก็ได้บทเรียนทั้งสองแนวทําให้จิตใจโน้มน้อมเข้าหาอย่างแรงแล้วท่านก็เดินหน้าของท่านได้เต็มที่ เพรอุบายวิธีในการฝึกคนของพระพุทธเจ้าในแบบสารอนุตรโรปริสธรรมสาริิที่เราสวดกันเนี่ยคือเป็นสาธิิผู้ฝึกบุรุษอย่างยอดเยี่ยมไม่มีสาธิิอื่นยิ่งไปกว่าเนี่ยคือบางทีพระองค์ใช้หยาบใช้หยาบแล้วก็ตามโดยละเอียดบางทีก็ใช้วิธีละเอียดบางทีก็ใช้หยาบไปตลอดเลยใช้วิธีแรงตลอดเลยองค์เนี่ยสนิมยะเอาวิธีแรงตลอดอย่างคล้ายๆกับอะไร พระยของพระอ ง, องค์หนึ่งชื่อพระติศะนี่หัวดื้อกระด้างพูดอะไรแล้วก็เบ่งบางทีตอนหน้าพระพกะรกก็ลุกขึ้นลุกขึ้นยืนวางมากอยู่หน้าพระพักพระล้อมเต็มเลยพระเจ้าใช้กำราบตลอดเลย อ, องค์เนี้เวลาไปนั่งกรรมฐานก็นั่งหลับน้ำลายไหลพระเจ้าไปถึงก็ประทับยืนอยู่ข้างหลังรับสั่งว่าคนมันไม่อายมันหน้ามันด่ามันนั่งกรรมฐานมันนั่งหลับน้ำลายไหลยังไงเป็นนังกษัตรนะฮะเป็นศากยะ คือกำราบตลอดเลยเนี่ยแล้วท่านก็เงยขึ้นดูพวกก็ฮึดมานะักกษัตริย์ฮึดสู้ขึ้นมานั่งกับบฐานตรงนั้นจะริ่ปัจฉนาบรรลุมรรคผลไปได้นี่ก็คือวิธีวิธีหยาบแล้วก็ก็สามวิธีหยาบตลอดเลยเนี่ยแล้วก็วิธีหยาบบนละเอียดหยาบนําก่อนแล้วก็บนละเอียดแล้ววิธีที่ละเอียดนิ่มนวลพวกนี้พร้อมนะฮะพวกนี้พวกพว ก, กระดาษอาดัดขัดกระดาษทรายนิดหน่อยเท่านั้นเองนี่ก็เป็นชาดกชึ่ง เป็นแบบนิทานบุคคลและเป็นข้อที่น่าศึกษาเอกประการหนึ่งสำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไยบูรณ์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน